การฟังธรรมนั้นก็เพื่อที่ให้เรามารู้ใจของเราของเราที่บางทีมันเหมือนลิงนะ มันมันอาศัยพุ่มมาอาศัยไม้นะเค้าเรียกว่ากิ่งไม้ห้อย ในสมองเนี่ยมันเป็นเส้นตรงเป็นทิศทางอะไรไปอย่างนั้นแต่จิตของเรานี่เหมือนลิงเนี่ยเหมือนลิงแล้วก็ไปนู่นเลยถ้าใครเคยเห็น เกิดตรงนี้ดับเดี๋ยวไปดวงนั้นแต่แต่ว่าไม่ใช่ลักษณะของไฟหรอกนี่คือเก นี่คือปัญหาเพราะว่าพอเราไปโดนอะไรหมุนเอ่อเวียนตามไปอย่างนั้นนะหมุนไปตามสิ่งที่ มันก็จะดึงเรานะให้มีอย่างเงี้ยนะทั้งสุขทั้งทุกข์เอ่อเป็นอย่างงี้แล้วจิตเราก็เลยบางทีก็ขึ้นๆลงๆนะสุขบ้างทุกข์บ้างนะปวดหัวปวดใจสุขใจวนไปเวียนมาหมดนั่นก็เพราะว่าเอ่อจิตมันไปตาม แต่ที่เราต้องแก้ก็คือว่าเอ้าสติเนี่ยคือความระลึกได้อย่างเรา สตินั่นเองเพื่อที่จะให้เราอย่างน้อยมีที่ตั้ง เป็นสถานที่หรือเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถอะไรเรานี่เรานี่คืออะไรเรานี่ มันจะไปไหนนะคือมันอาจจะแล่นไปตามสิ่งที่มันกระทบซึ่งเป็นสิ่งที่ดีก็มีไม่ดีก็เล default เลย default ถ้า ไหนเนี่ยเป็นสถานที่รวมพลตามบริษัทห้างร้านเนี่ยก็มีการซ้อมเอ่อ จุดนิมิตจุดที่จะติดต่อสื่อสารๆเราก็จะต้องมีจุดนิมกันเป็นฐานเนี่ยเป็นฐานนะต่อไปคุณทําต่อ แม้ยังน้อยตรงที่เรามาระลึกถึงน่ะคิดถึงเนี่ยมันยังเป็นจุดที่เอ่อให้เราปลอดภัยได้บ้างแล้วนั่น คือความรู้นะหรือว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าตรงนี้นะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกระไรใช้ธรรมะปัญญาพวกนี้ก็เทวตานุสตินะ มันเป็นกายมันเป็นใจนะลมไม่ใช่ นะจิตตรงนี้จะสตินั้นจิตสติแล้วจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้นั่นหมายอยู่แต่มันยังไม่เป็นคือความที่เป็น 1 เรามีสติอยู่ก็จริงแต่จิตยังไม่เป็น 1 นะเรามีสติอยู่ความไม่เป็น 1 รู้กับละได้มันยังไม่เหมือนกันเรารู้ว่าเรามีละได้นี่มันยังไม่เหมือนกันเรารู้ว่าเราที่วอนพวกสิ่งไม่ดีนี่ก่อนแต่ยังละไม่ได้หรอกนะละได้ไม่ บริสุทธิ์ล่ะณลมนั้นแต่มันยังไม่ 100% แต่มันเต็มมั้ยไม่เต็ม ในวิธีการปฏิบัติที่ 10 อย่างนี่แหละอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะ อย่างน้อยณในช่วงเวลาที่เราทํามันมีช่วงเวลาเอา 1 ชั่วโมงไป 1 ชั่วโมงคุณ 1 ชั่วโมงใน 1 ชั่วโมงคือ 60 นาทีเนี่ยเอ่อ 1 นาทีอีก 59 นาทีเปเบี่ยวบูดไม่ น่าเหลือแค่ 1 นาทีที่มันเจ๋งๆเป้งๆทําได้นิดนึงตรงนั้นบริสุทธิ์มั้ยบริสุทธิ์แล้วดีแล้วแต่บริบูรณ์มั้ยยังกินหัวให้นั่นถูกกี่เลยมันกินหัวเราไม่ท้อแต่เราดีแล้ว นะยังมีความท้อแท้ป่ะโอฉันบุญน้อยวาสนาน้อยนะแม้ทําได้แค่ 1 นาทีเองสงสัยชาตินี้คงจะไม่มีไม่มีโอกาสละ เขาก็จะกั้นขวางนกิจกันไม่ให้เราผ่านไปเราทํายังไงก็เราผ่านได้ๆเนี่ยตรง 1 เขนาทีเนี่ยเราเอาตรงนั้นแหละ แน่ตั้งตนไว้ในธรรมได้สัก 1 นาทีนึงทีมๆเพิ่มขึ้นพอมันเพิ่มขึ้น 1 นาที 2 นาที 3 นาทีตรงนั้นเนี่ย นะเพราะว่าจากจิต 1 วางไปอีกจิต 1 มันยังไม่ทันเต็มจิตมันปล่อยวางตรงนั้นได้นะมงคลก็บอกครึ่งจิตมงคลก็บอกขณะจิต 1 จบไม่ เหมือนการจิตแล้วก็ไปยึดถืออารมณ์ซ้ายขวาหน้าหลังอินตงนัง นะสติเนี่ยก็เป็นสติแบบนั้นองค์ธรรมตัวนี้ได้อันนั้นก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธินั้นเรียกจะตรัสรู้ธรรม ปีติเอ่อความสงบระงับพวกนี้ก็เป็นปีติสัมโพชงเป็นปัสสัทธิสัมโพชงซึ่งและก็เครื่องที่มันปิดตาเราเครื่องดึงหลัง นะแก้ตรงนั้นจะแก้ตรงนั้นเนี่ยคือหมายว่าไม่ใช่เราไปแก้ตรงนั้นแต่เราไปแก้ทําเหตุเจ้าตัณหาก็ค่อยๆ ขอไล่ทํา